หลักของจิตตภาวนาออกจากอภิธรรมเพราะของจริงมีอยู่นอกจากเราไม่เห็นเฉยๆก็ประหนึ่งว่าของจริงทั้งหลายเหล่านั้นทั้งดีและชั่วไม่มีเพราะตาบอดทีนี้พอเปิดตาออกไปมากน้อยก็จะเริ่มเห็นของดีของชั่วซึ่งมีอยู่แล้วพอเปิดออกเปิดออกก็เห็นชัดทั้งดีและชั่ว เปิดจ้าออกหมดแล้วก็เห็นหมดจะว่าไงเมื่อเห็นหมดจะให้บอกว่าไม่เห็นได้ยังไงเวลามันมืดก็บอกว่ามันมืดมันรู้อยู่ว่ามันมืดก็บอกว่ามันมืดเวลามันสว่างออกมามากน้อยก็รู้อยู่ว่าสว่างมากน้อยจนกระทั่งมันจ้าออกไปแล้วจะให้พูดว่ายังไงนี่ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้ ก็ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเริ่มแรกตั้งแต่ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถความรู้นี้ค่อยเบิอกออกเบิกออกด้วยภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องเบิกกว้างออกไปตลอดจนทะลุปรุปโปร่งทั่วโลกออกจากจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนา พระสงฆ์สาวกทุกๆองค์เป็นสารนังขจามิของพวกเราตรัสรู้ด้วยจิตตาภาวนาทั้งนั้นมีหลักอย่างที่กล่าวไว้ทุกวันนี้ว่าพระอาภิธรรมอาภิธรรมคือธรรมอันยอดเยี่ยมได้แก่หลักของจิตตาภาวนาออกจากอาภิธรรมทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอาภิธรรมพระอาหารหันต์ทั้งหลายตรัสรู้ด้วยอาภิธรรม ท่านแจ้งกระจ่างนี้จึงเป็นธรรมจำเป็นมากสำหรับในวงพุทธศาสนาพระไตรปิฎกมีสามระสุตรตันตาปิฎกคือเรื่องราวต่างๆของสัตว์ของบุคคลที่ทำบาปทำบุญทำดีทำชั่วไปตกนรกหมกไหม่เป็นเปรตเป็นผีขึ้นสวรรค์ชั้นพรมท่านพูดเรื่องราวเหล่านี้เรียกว่าพระสูตร พระวินัยได้แก่กฎหมายพระศีลที่ว่าศีลสองีนี้ว่าไว้พอประมาณส่วนที่มีมากกว่านั้นทรงตั้งเป็นอนุบัญญัติบัญญัติที่หลังนี้มากมายกายกองนี้เรียกว่ากฎหมายพระเรียกว่าพระวินัยเป็นพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกดังที่กล่าวมาตะกี้นี้แล้วพระอภิธรรมปิดก ก็ตามวิถีของจิตมันเกิดมันตายมากี่กับกี่กันมันเกิดมันตายมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรมันจึงต้องเกิดต้องตายเหมือนจึงต้องไปสูงไปต่ําไปตลอดเวลาสิ่งที่ไหนเขาก็บอกว่าตายตายสัตว์เกิดสัตว์ก็ตายคนเกิดคนก็ตายแม้แต่พวกเปรด・พวกผีสนริกอเวจีก็ยังมีเกิดมีตายคือหมายความว่าเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมาเรื่อย และสิ่งที่พาให้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไม่ได้ยินว่าเกิดว่าตายติดแนบอยู่ตลอดเวลาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ยากลำบากเดี๋ยวที่ว่าไปเกิดที่นั่นไปตายที่นี่คืออะไรคือใจนี่แหละใจดวงนี้ล่ละไม่เคยตายเรื่องตายคือจิตที่เข้าไปอาศัยร่างใดร่างนั้นก็เป็นสภาพของสัตว์ของบุคคลขึ้นมา ทีนี้พอสภาพอันนั้นมันหมดไปแล้วจิตดวงนี้ก็ถอนตัวแล้วไปกอบบกอบพบใหม่กกอบพบใหม่นี่พบดีพบชั่วแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของตัวที่สร้างไว้เวลามีอัตภาพอยู่นั้นตัวนี้ไม่ตายไปเรื่อยๆนี่ลหละจิตตภาวนาหรืออาภิธรรมท่านตามวิธีจิตอันนี้ แกะรอยจิตตัวพาเกิดพาตายนี้ด้วยจิตตภาวนาตามเข้าไปเข้าไปจงกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งความเกิดความตายได้แก่วิมุตรหลุดพ้นสังหารกิเลสตัวพาเกิดพาตายซึ่งแทรกอยู่ในจิตนั้นออกไปหมดแล้วเรียกว่าวิมุตตหลุดพ้นทีนี้ท่านไม่ต้องเกิดต้องตายด้วยภพภูมิต่างๆอีกต่อไปแล้ว จิตนั้นก็กลายเป็นจิตธรรมธาตุขึ้นมาธรรมธาตุเรียกว่าตายตัวแล้วเรียกว่าธรรมธาตุหรือนิพพานหรือว่าวิมุตติสามประเภทเหล่านี้เรียกเป็นไวยพจน์ของกันใช้แทนกันได้เนื้อจิตดวงนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตามรอยจิตดวงนี้ไปถึงขั้นนั้นด้วยอภิธรรม ไม่มีใครที่จะเว้นอภิธรรมไปได้ที่จะได้ตรัสรู้ธรรมอภิธรรมจึงเป็นธรรมจำเป็นมากในพระไตรปิฎกทั้งสามประเภทนี้นี่เราก็ได้ยินว่แววว่าพระอภิธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกเราอยากจะไปถามหาโคตหาแซ่มันเอาโคตเอาแซ่มาจากไหนเอามารื้อพระอภิธรรม ซึ่งเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้ออกไปไม่ให้มีเหลือมันจะให้มีเหลือแต่เทวทัตทำลายทั้งชาติทั้งบ้านเมืองไปตามๆกันหมดนั่นหรอือเราอยากถามว่าอย่างนี้นะแต่นี้เป็นเพียงว่าได้ยินมาแววๆเพราะฉะนั้นเราจึงตอบเพียงแววๆเสก่อนถ้ามันมาหมดทั้งโคตเราก็จะยกโคดพ่อโคแม่หลวงตาบัวขึ้นสั์กันเลยเอาพูดจริงๆอย่างนี้ ความจริงหลีกเลี่ยงไปไหนต้องเอาให้ตรงความจริงธรรมะเป็นของจริงสทกสถานที่ตรงไหนของจริงออกมาพูดของจริงไปไหนต้องจริงตลอดของปลอมไปไหนปลอมตลอดไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนที่ไหนปลอมตลอดเวลาถ้าเงินอันนี้เอาเข้าไปแวนในอุโมงก็เป็นเงินปลอมเอามาเปิดเผยก็เป็นเงินปลอมไปที่ไหนมันก็ปลอม ถ้าเป็นเงินจริงอยู่ไหนจริงหมดนั่นของจริงไปที่ไหนจริงของปลอมไปที่ไหนปลอมหมดอันนี้รำพระพุทธเจ้าเป็นของจริงจะให้ปลอมไปที่ไหนก็ออกมาพูดได้อย่างจริงจังละสินี่ล่ละเรื่องพระไตรปิฎกเป็นของสำคัญเรื่องวิธีของจิต ที่จะตรัสรู้ธรรมที่จะรื้อถอนสิ่งที่พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดตายได้แก่กิเลสเรียกว่าอาวิชชาปจยาสังขาราถอนออกมาด้วยจิตตาภาวนาที่เรียกว่าอภิธรรมก็ต้องเป็นอภิธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาพระอภิธรรมพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้ขึ้นมาทุกๆพระองค์พระอภิธรรม ถ้าไม่มีอภิธรรมแล้วไม่มีศาสนาว่างั้นเลยศา ส, สนาหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยที่เหลือคือรากแก้วของศาสนาได้แก่อภิธรรมยังมีอยู่กิ่งก้านสาขาดอกใบที่เรียกว่าเปรตว่าผีพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมเหล่านี้เป็นกิ่งก้านออกจากธรรมชาตินี้จึงมีอยู่ทั่วไปเห็นอยู่ทั่วไปอย่างนี้ออกจากธรรมประเภทนี้ พิธารณาสิรากใหญ่จริงๆอยู่ที่อภิธรรมฝังอยู่ในจิตเข้าไปแก้ถอนกันที่จิตนั่นละ